มันก็นาสงบนไปลอ ง, งมารอ ง, งมาทดลอมาทดลอมาตดลองความฟุ้งของจิตน่ะจิตมันฟุง้งปกติจิตมันจะฟุง้งมันจะสร้างไปเพราะจิตนี้มันเป็นพลังงานจิตนี้เป็นพลังงานอย่างหนึ่งเป็นผู้รู้ จิตเป็นผูรู้เป็นพลังนานมันจะแตกกระสสนสร้างเส้นไปตามกระแสของตัณหากระแสตัณหามันพายยากสร้าง ไ, ไปนู้สร้างไปนี้สร้างเป็นู้นสร้างไปนี้ความทะเยอทะ ย, ยานของจิตความอยากของจิตความทะเยอทยานของจิต มันจะพายิดรัสร้างฟุ้งสั้นฟุ้งไปนั้นฟุ้งไปนี้ฟุ้งท่านใช้คําว่าฟุ้งสั้นเหมือนกับกระแสไฟหรือกระแสอะไรที่มันสั้นเหมือนกับน้ําที่มันสั้นเหมือนกับความสว่างที่มันสั้นมันกระจายออกไปนั้นแหละมันกระจายออกไปงั้นมันไม่ค่อยมีกําลังมันไม่ค่อยมีกําลัง ไม่เหมือนมันรวมเข้ามารวมเข้ามารวมเข้ามารวมกะระแสที่มันกระจายออกไปมันรวมเข้ามารวมเข้ามารวมเข้ามาอาศัยพูดตื่นอาศัยความตื่นของจิตนั่นแหละเป็นเป็นเหตุสังรวมเข้ามาดึงเข้ามาดึงเข้ามากระตุกตัวเองให้ให้ตื่นขึ้นปลุกตัวเองให้ตื่นขึ้น Limited. เราเลยต้องใช้กิริยาดํมริโธพุทโธพุทโธอันนี้เป็นกิริยาที่ดึงเข้ามาดึงความแตกประสานสร้างเส้นของคิ ด, ดเนยดึงเข้ามาดึงเข้ามาเอาพุทโธเป็นตัวดํมริดํมริคือตรีคือตึก ค, คือนึกคือคิดเ น, นหละเรียกว่าดํมริอืคําดํมรินี่แหละเป็นอารมณ์ พุโทโธพุทโธเป็นอารมณ์เป็นเครื่องผูกใจเป็นเครื่องผูกจิตเป็นเครื่องตะล่อมรวมกระแ ส, ะะสที่กระสร่านออกที่ส่านออกไปของจิตนะ่ะตะโลกรวมเข้ามารวมก็ามาพุโทโธพุโทโธพุทโธพุทโธลมหายใจเข้าพุทลมหายใจออกโทรเราจะกําหนด เฉพาะที่ปลายจมูกก็ได้พุทธทั้งความรู้สึกที่ปลายจมูกโทพุทโทพุทโทพุทธลมมันจะผ่านช่องจากปลายจมูกอะ่ะพุทธโทพุทธโ ท, ท, โทจับกอยู่ตรงนี้แหละเพราะตัวเจตนาตัวนี้เป็นตัวจับตัวเจตนาตัวความจงใจความตั้งปกตั้งใจความจดจอ่อความโยนิสโสนาสิการ อะไรอะไรรวมอยู่ลงอยู่ในนิมนต์รวมอยู่ที่กําหนดจดจอบอยู่กับที่มาสัมผัสกับปลายจามูกโถพุโทโถหายใจเข้าพุทหายใจออกโถพุโทโถพุโทพโถุทโถหรือบางคนอาจจะถนัดอาจจะถนัดที่ลิ้นปีกก็ได้อาจจะถนาที่ลิ้นลิ้นปีกก็ได้ ลิ้นปีกคือข้างในนะ่ะมันยุบยับยุบยับอยู่ข้างในนะ่ะที่ลิ้นปีกคือลักษณะของอะไรนะที่มันหลมเขาเพิ่มเข้าเขาขเพิ่ม อ, ออกอเพิ่มเข้าเขาขเพิ่ม อ, ออกการทํางานของปอดนั่นแหละปอดมันดึงเข้าออมันปล่อยออกมันดึงเข้ามันปล่อยออกหายใจเข้ามันก็ดึงเข้าไปไหายใจออกมันก็ปล่อยเข้ามา ผองแวบผองแวบผองแวบอย่างนั้นแหะปองไมีผองลุดเข้าดูดออกดูดเข้าดูดออกใหายใจเข้าให้ใจออกใหายใจเข้าให้ใจออกแล้วจะกำหนดอยู่ที่ลิ้นปีก็ได้ถ้าจำนานไปแล้วคล่องแล้วก็ให้มันดึงลงที่ลิ้นปี่นกกำหนดนึกเดี๋ยวนี้มก็ดิ่งเดี๋ยวนะคนที่เคยทำ มันดิง่งสงบดิง่งลินน้นเปี่ยนอ่อนิมนน่มที่เดียกว่ากายอ่อนจิตอ่อนกายเบาจิตเบากายปลอดโปรงจิตปลอดโปร่งกายยือเย็นจิตเยือกเย็นกายไม่ฟุ้งซ่านจิตไม่ฟุ้งซ่าน ร่างกายเราถ้าร่างกายร่างกายเราเดือดดาลเนี่ยจิตของเราก็พลอยเดือดดาลไปด้วยนะเช่นร่างร่างกายเราไม่สบายจิตใจของเราก็จะพลอยเดือดดาลไปด้วยเพราะกายกับจิตของเรานี่เขาจะสัมผัสสัมพันธ์กันตลอดตั้งแต่ตื่นเช้าขึ้นมาหลับตื่นลืมตาตลอดยีบสี่ชั่วโมงเขาจะสัมผัสสัมพันธ์กันตลอดร่างกายกับจิตเนี่ยร่างกายเป็น รูปธรรมจิตมีนเป็นนามธรรมเขาจะทำงานสัมปัสปัมพันธ์กันตลอดเราต้องการรวมพลังของจิตมาให้มันรวมลงมาที่จิตที่จุดเดียวเนี่ยเพื่อมีกําลังมีกําลังในใจของเรามีตรงไหนมีตอนที่มันอยู่มัอยู่คือมันไม่โดดเดี่นไปตามอํานาจของกิเลสที่กิเลสมันพาไปถ้ากิเลสมันพาไปแล้วมันก็ ก็สารสั่งเซียนออกไปคิดเรื่องนั้นบางคิดเรื่องนี้บางไม่อยู่กับตัวไม่อยู่กับเนื้อไม่อยู่กับตัวไม่มีกำลังไม่มีกำลังคือมันไม่สงบมันคิดไปมันคิดไปนี้มันกระจายไปมันกระจายไปแต่อำนาจของความหิวกระหายของตัณหาตัณหารมันหิวมันหิวแล้วมันก็กระหายเนี่ยมันก็แสวงหาตัณหา ความอยากตัวนี้เนี่ยพลังของความอยากก็คือเหมือนกับลักษณะเหมันมันก็หิวมันดิ้นรนมันสอบหามันแสวงหาอยากสารพัดเราดูความอยากของกิตของเราเรานับได้ไหมเรานับครบไหมวันวันหนึ่งลองนั่งนับดูความอยากภายในจิตที่มันเกิดขึ้นมันอยากอะไรบ้างความอยากที่มันดิ้นออกมาตามอำนาจของความอยากนั่นแหละนั่นแหละคือกระแสของตัณหา มันนี่นออกมาทางจิตมันไปนดนจิตมันไปนดันจิตมันไปผลักจิตดันจิตให้นึกให้คิดไปตามอำนาจของมันนกระแสของตันหานตัวนี้แหละเป็นตัวรายกาศเป็นตัวจอมทุกเจ้าทุกเจ้าโลกจอมโลกเจ้า ว, วัตตะเจ้าวัตตะคือตัวนี้แหละนี่แหละที่จอมวัตตะเป็นผู้มาจับจอมวัตตะไม่มีจุดจบไม่มีที่จบ สร้างไปนนสร้างไปนี่ดิ้นไปนู่นดิ้นเป็นี่กิดมันดิ้นเดือดมันนานมันอยากความอยากน่ะทําให้มันกระเพื่อมตัวอยู่ทุกระยะทุกเวลาแสวงสวงหาตามอำนาจความอยากของมันเนี่ยมอำนาจของความอยากตัณหาคือความอยากอมันไม่ใช่จะมีเฉพาะตัวเราซสือดูมาที่ใจเราเนี่ยจะเห็นเห็นความอยาก เราปฏิบัติธรรมเนี่ยเราปฏิบัติเพื่อให้รู้เท่าทันความอยากนะเนื่องจากว่าเรารู้ไม่เท่าทันความอยากความอยากเลยดึงเราไปลักล่าเราไปชักเราไปาไปผู้ยป่งผู้ยำที่ไหนก็ไม่รู้แหละกลับมานะสอมแหละเพราะอะไรเพราะไปเจอทุกไปไปไหนก็ไม่รู้แหละไปผู้ยี่งุย้ยำที่ไหนก็ไม่รู้แหละ กลับมาโซมเข้ามาแล้วแต่ที่โซมเข้ามาเพืออะไรไปเจอทุกไปเจอกองทุกกลับเข้ามาแล้วตัวเพื่อตัวเ่อเด็กก็ประเภทเด็กซนอ่ะซนไปเล่นนู้นเล่นนี้ร้องให้มาหาพ่อหาแม่และเลือดสาดเข้ามาแล้วเพราะความซนนั่นแหละทำให้ได้รับทุกได้รับโทษกลับมาจิตของคนเราก็เช่นเดียวกันนะั่นเพราะจิต ดิ้นรนไปตามอำนาจของความอยากความอยากเนี่ยมันเป็นพลังของความหิวหิวของกิจมันดิ้นรนทะเยอทยานไปหากินอารมณ์เพราะฉะนั้นเราจึงให้มนกินอารมณ์ที่นี่อารมณ์ที่ประกอบไปด้วยสติประกอบไปด้วยสัมปชัญญะที่ทราเรียกว่าภาวนาบริกรรมบริกรรมบริกรรมแปลว่าทํำซ้ําๆซ้ําๆซ้าๆพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธก็เพิ่มตัวอยู่ เอาสติเอาสัสมผัจัญทร์จำกับเอกคำดำริที่เรากระเพื่อมอยู่ภายในจิตของเราเพื่อเป็นการทูจิตให้อยู่ไม่ให้จิตมันออกไปนี่เป็นอารมณ์นะเราบริกรรมเพื่อดึงจิตให้มันอยู่ดึงกระแสความอยากให้มันอยู่ให้มันกินอารมณ์นี้เพราะอารมณ์นี้เป็นอารมณ์ธรรมอารมณ์ของกิเลส ท, ที่มันออกไปไปหากินกินทั้งวันก็ไม่อิ่มกินทั้งเดือนก็ไม่อิ่มกินทั้งปีก็ไม่อิ่ม กินทั้งพบก็ไม่อิ่มกินทั้งชาติก็ไม่อิ่มมันกินไม่อิ่มเพราะตันหามีกระแสของตันหาเนี่ยตันหามันมากกว่าน้ําในมหาสมุทรนั่นนะท่านว่านัตติตันหาสมาณทนะีความวิตรนความทยานอยากของจิตเนี่ยมากกว่าน้ําในมหาสมุทรนั่นกระแสความอยากของมันนี่ <c oughs> hey, พระพุทธดำรัตนะ์พระพุทธเจ้าท่านทรงตรัสนะความอยากความอยากของจิตมันมีมากถึงขนาดนั้นะ่ะ เพราะฉะนั้นเราเราหาอารมณ์ให้มันกินหาอรมให้มันรับประทานหาอารมณให้ใจมันรับประทานเราจึงเอาคําว่าพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธมาเป็นอารมณ์หรือธรรมโมธรรมโมธรรมโมก็อันเดียวกันนั่นแหละหรือสังโคสังโคสังโคก็อันเดียวกันนั่นแหละอเพียงแต่เป็นอารมณ์พอจับให้จิตเป็นเครื่องระลึกเท่านั้นเอง เป็นที่ระลึกของจิตเป็นที่ตั้งของสติเป็นเครื่องระลึกของสติเป็นที่ระลึกของอารมณ์เป็นที่เกาะของจิตเป็นที่อยู่ของจิตไม่จิตมันไปให้จิตมันอยู่มันอยู่กับอารมณ์เนี่ทนอยู่กับอาหารอันนี้อาหารซึ่เป็นธรรมเนี่ยคําบริกรรมคืออารมณ์อารมณ์นี้เป็นอาหารของจิต เราป้อนเข้าไปป้อนเข้าไปป้อนเข้าไปป้อนเข้าไ ป, ป, า ไ, ปไม่เผลอไม่เผลอในระหว่างที่ไม่เผลอมันก็สงบสงบอยู่ในขั้นที่ไม่เผลอนั่นแหละแต่มันไม่สงบจนถึงขั้นที่ว่าไม่ต้องป้อนถ hm. ึงขั้นไม่ต้องป้อนหมายความว่ามันเริ่มอิ่มมันเริ่มอิ่มตัวแล้วล่ะมันอิ่มกับอารมณ์ก็เรียกว่าอิ่มอารมณ์จิตอิ่มอารมณ์จิตมีปีติ จิตมีปิติคือจิตอิ่มอารมณ์ปิติแปลว่าความอิม่มอิ่มใจบางทีอิ่มใจน่ะมันส่งมาถึงอิ่มกายเข็ง น, นิ่งอิม่มเบึ้งตึนงนั้นแ่ะมันอิม่มในความอิ่มนั้นน่ะมันมีความสงบอยู่ในนั้นมันมีความสุขอยู่ในนั้นมันมีความผ่องใสอยู่ในนั้นจิตของคนเราพอเริ่มสงบมันก็เริ่มผ่องใส แต่ถ้าไม่สงบมันขุ่นมัวทำไมมันถึงขุ่นมัวเพราะเรากำหนดจดจ่ออะไรก็ไม่ได้มันไม่อยู่ในอำนาจของสติของสัมปชัญญะมันไปตามอำนาจของความอยากนะมันไปคลุกคลีตี่โมงกับอะไรต่ออะไรไมนรู้มันมัวไปหมดแล้ยแต่ถ้าเราให้มันสงบมันจะเริ่มผ่องใสมีความสุขมีความอิ่มเอิบมีความอบอุ่น มันเกิดความรู้สึกว่านี่แหละคือบุญเราทำอย่างนี้เรื่อยๆก็เท่ากับเราเราเพิ่มบุญให้กับจิตของเราเพิ่มคุณสมบัติให้จิตของเราเพิ่มเพิ่มคุณภาพให้กับจิตของเราตั้งใจทำแค่นี้แหละขยับตัวอยู่แค่นี้แหละดึงกันไปดึงกันมาขาย่ยกันไปขยยกันมาอยู่แค่นี้แหละแบกบฝหัดมีอยู่แค่นี้ตรงนี้มันไปไหนดึงกึ้นมา ไปไหนดึงขึ้นมาให้อยู่กับคําว่าพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธโดยแบบอย่างเราทําแบบนี้เราทําตามแบบอย่างที่ครูบาอาจารย์สอ น, นสลลครูพุทธเจ้าสอนพุทธานสติเราลึกถึงคุณของครูพุทธเจ้าเราเอามารลึกมาเป็นเครื่องกํากับมาเป็นอารมณ์ให้จิตเกาะ พ el, hacia el, hacia el el. El, el ุทโธพุทโธพุทโธให้กายกับจิตสัมผัสสัมพันธ์กันกายก็คือลมเข้าลมออกจิตก็คือระลึกรู้ยับเข้ายับออกยับเข้ายับออกยับเข้ายับออกกายกับจิตสัมผัสสัมพันธ์กันตลอดมันได้ทั้งสองอย่างทำความรู้สึกตัวอทำความรู้สึกเฉพาะกาย ทำความรู้สึกเฉพาะจิตทําความรู้สึกเฉพาะกายในขณะที่มันทํางานประสานกันทั้งรูปทั้งนามคือทั้งกายทั้งใจเราทําความรู้สึกว่ามันอยู่กับอารมณ์เดียวที่ร้อยเขาอยู่อืจิตกับจะเริ่มสงบสงบมันอิ่มเราไม่ต้องป้อนให้มันมันก็อิ่มแล้วเราะมันอิ่มแล้วมก็ทิ้ง มบางทีก็คือมันไม่ถ้าเป็นรับทานก็คือไม่เอาใสาป่ปากไม่เอาเข้าปาไปแล้วอิ่มแล้วใส่เข้ า, าไปใส่เข้าไปใส่เข้าไป Flowers, อิ่มไม่ต้องใส่เข้าไปอีกถึงเราไม่ใส่เข้าไปอีกเขาก็อิ่มเมื่อเขาอิ่มเขาก็ไม่ไปเมื่อไม่ไปเขาก็อยู่เมื่อเขาอยู่เขาก็สงบในที่เขาไปนมันไม่สงบเพราะกิเลสพาไปกิเลสพาให้ไม่สงบกิเลสพาให้กิเลสแตก ธรรมะพาจิตรวมแต่เรื่องของกิเลสมันพาจิตแตกแต่เพระนู้นแตกเพระนี้มันชอบนึกคิดเรื่อยเปลยไปตามอิสระเสรีของจิตแต่มันเป็นมันไม่อิสระจากกิเลสกิเลสมันพาไปนึกไปคิดทางที่ถูกถูกต้องตามธรรมต้องอิสระจากกิเลสอิสระจากกิเลสคือต้องมีสติต้องมีสัมผัญยญั้ต้องมีความรู้เท่าทาัน จิตหยู่จิตก็อยุดจิตสงบจิตก็สงบพิจารณาพิจารณาอย่างหนึ formula formula ่งสามารถสงบได้เมื anyway> ่อสงบแล้วก like ็พิจารณาพิจารณาแล้วก็สงบสงบแล้วพิจารณาพิจารณาแล้วก็สงบจิตมีพลังสามารถเอามาทํางานได้สามารถกําหนดจดจ่อให้ของที่ได้ สามารถพิจารณาการงานได้อย่างต่อเนื่องไม่เหมือนกับเราขีดน้ําขีดแปบบ๊บอ่าเป็นรอยขีดแป๊บเดียวแหละติดกันนีและเป็นร้อยขีดแป๊บเดียว่ติดอีแล้วเป็นรอยขีดแป๊บเดียวติดอีลอดแบบล้ว อ, อันนี้คือจิตของเราไม่สงบแต่ถ้าจิตสงบเราตั้งยังไงก็ อ, อยู่อย่างนั้นถ้าจิตไม่สงบคือเราตั้งไม่อยู่ เมื่อเราขีดน้ำมแหละขีดน้ำก็ขีดดินขีดหินจะนม่เหมือนกันขีดยังไงมนก็เป็นรอยอยังงั้นขีดหินขีดดินแต่ถ้าเป็นขีดน้ำแป๊บเดียวเดี๋ยวก็เป็นเนื้อเดียวแวแป๊บเดียวเดี๋ยวก็เป็นเนื้อเดียวแอารมณ์ที่มาก่อกวนจิตทําให้จิตไม่สงบพอเราเริ่มจับอารมณ์ใส่ให้เขาพิจารณาเนี่ยก็เหมือนกัเราขีดน้ำแป๊บหายไปแล้ว แม้เบลล์หลังหายไปแล้วมันดึงจิตไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นหมดเนื่องจากว่าจิตไม่มีกำลังในตัวเองจิตไม่มีพลังในตัวเองท่านจึงให้ภาวนาจิตสงบจิตสงบเหมาะสมสมควรที่จะเอามาน้อมนึกคิดพิพณิพิจารณาเพื่อทำลายความรุ่มหลงของตัวเองเพื่อทำลายความรุ่มหลงก็พูดไปพูดมาก็ไม่พ้นตัณหาตัณหาพาให้เราหลง ปัญหาพาเราหลงกิริยาที่มันพาเราหลงมันแหละกิริยาที่มันพาเราหลงอะไรหลงจิตหลงหลงจิตสติหลงหลงสติปัญญาหลงหลงปัญญามันหลงมันหลงก็คือมันมันมืดมันรู้ไม่ทันมันไม่ทันเหตุการณ์ ติ๊กอะไมันดึงไปมันหลงแป๊บเดียวไปแล้วเกอยราหลงแปบเดียวไปแล้วบริกรรมอยู่บริกรรมอยู่เราดูลักษณะอาการความหลงของจิตนี่เราดูอย่างนี้ดงูง่ายๆเห็นก่อนหเห็นให้เห็นความหลงง่ายถ้าภาคปฏิบัติบริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธแวบเดียวอ่าไปแล้วเห็นไหมเราพยายามดใูให้เห็นตอนที่มันหลงตรงนี้ แปบเดียวถ้าเราไม่กำหนดจดจอจ้องจริงๆเราจะไม่ทันถ้าเรากำหนดจดจอจ้องนั้นๆเข้าจนสติเราดีปัญญาเรา ด, ปญญาราดีปัญญาเราเร็วปัญญาเราทันเขาเรียกว่าทันทันกิเลสที่มันคอยแทรกเข้ามามันแทรกเข้ามาแล้วก็มันสวมรอยเข้ามาแล้วก็มันช่วยออกไปมันสวมรอยเข้ามาแล้วมันชวยออกไปช่วยอะไรชวยดึงจิตไปแป๊บเดียวช่วยไปแล้วดึงไปแนละ้ว เด๋ยวช่วยมาแล้วดึงไปแล้วมันช่วยโอกาสช่วยโอกาสถ้าเราไม่ดำรงสติสัมปชั้นกำลังจดจอ่อจ้องเหมือนกับอรเหมือนกับปลายเข็มอะ่ะเหมือนกับปลายอะไรแหลมๆที่มันจอ่อกำลังจะถึงเป้านะอันนั้จ่อขนาดนั้นทำให้งั้นไม่ทัน คือไม่ทันไม่ทันก็คือหลองหลงก็คือเผลอเผลอก็คือเพลินอมันเผลอเผลอปั๊มันดึงไปแล้วดึงไปแล้วเรายังไม่รู้จักมันเพลินไปกับไอ้ที่มันดึงไปนะ่ะท่านถือ ว, ว่านันทิราคะนันทิราคะยินดีเพลินใจประกอบไปด้วยความเพลิน น, นี่นันทิราคะสากตาตตรตตราพินันดีน เพลินไปกับอารมณ์ที่มันแป๊บเดี๋ยวเข้ามาเกี่ยวข้องผูกจิตหลงแป๊บไปละไปละกับเพลินไปกับมนันนะ่ะเพลินไม่รู้ตัวเลยนั่นแหละหรือล่ะคืออาการของความหลงลักษณะอาการของความหลงองจิตของเราดูให้เห็นตรงนี้พยายามหัดดูพยายามหัดมองเราจะเห็นมันมันจะเป็นการสร้างปัญญาให้ทันกับกิเลส สร้างทำให้ทันกิเลสสร้างปัญญาให้ให้ทันกับกิเลสสร้างความสว่างของใจให้ทันกับความมืดของกิเลสที่มันคอยปบมาบดบางกิตปุ๊บมาบดบางค um, วามสว่างของจิตของเราบางเมื่อไหร่บางเมื่อไหร่มันก็ดึงไปเมื่นั้นบางเมื่อไหร่มันก็ดึงไปมื่นั้นบางเมื่อไหร่ก็มืดเหมือนนั้นบางเมื่อไหร่มันก็ลากไปเหมือนนั้นบางทีอะไรเมื่อไหร่เรเสียท่ามันทีทนั้นเมื่อนั้น ความหลงโมหะโมหะความหลงมันมีหลงหลงรัก ร, ร, ร, รับเพราะอะไรคนเรารักเพราะหลงหลงชังชังเพราะอะไรชังเพราะหลงถ้าเราเห็นเหตุผลแจ่มแจ้งชัดเจนภายในจิตใจแล้วเราจะไม่รักเราจะไม่ชังเราจะเห็นสักแต่ว่าเห็นเราจะได้ยินสักแต่ว่าได้ยิน เราจะได้รสสัแต่ว่าได้รสเราจะได้กลิ่นสัแต่ว่าได้กลิ่นเราจะสัมผัสสัแต่ว่าสัมผัสเพราะอะไรเพราะความหลงความเพราะความไม่หลงความทันความทันนึกว่ามันทันกิเลสแล้วมันไม่หลงกิเลสมันไม่มาไม่มาสวมรอยตรงนี้ละเอียดพยายามดูพยายามขบจอบเข้ามาตรงนี้มันได้ เล่นอยู่ที่จิตของเราเนี่ยแหละเหลาอยู่ในนั้นแหละฝนอยู่ในนั้นแหล ะ, ละอยู่ตรงนั้นแหละเหลาอยู่ตรงนั้นแหละฝนอยู่ตรงนั้นแหละพยายามจุดประกายตรงนั้นแหละให้มันสว่างโรยอยู่ตรงนั้นแหละตลอดพอจุดขึ้นมาแล้วพยายามปะป้อง <S <S> <S ปกป้องให้มันไหวอไม่ให้เปลวถ้าเป็นเทียนมันก็เปลวเปลวเทียนพอเราจุดขึ้นมาแล้วมันสว่างโรยไม่ให้มันถูกไหว มันถูกไหวเหมือนกับเปลวเทียนถูกลนะมเน่ะพอมีลมมาปั๊บมันก็ไหวละอ่าจิตใจของเราก็พร้อมที่จะไหวอจิตใจของเรานอะพร้อมที่จะไหวเมื่ออารมณ์เมื่ออารมณ์เข้ามาแทรกเมื่อกิเลสเข้ามาแทรกเพราะกิเลสมันมาพร้อมกับอารมณ์มันมาดึงไปอมันมาดึงไปอื สี่ที่มาดึงไปนี่แหละท่านเรียก ว, ว่านิวนณิวนณิวรณะภาษาธารรมะทาเรียก ว, ว่านิวรณ์มันปิดมันกั้นมันดึงไปดึงไปนึกคิดเรื่องรัก บ, บ้างอกามาฉันทะดึงไปนึกคิดเรื่องชังบ้างเรื่องเกลียดเรื่องกโกรธเรื่องพยาบาทบ้างมันไปคิดนึกไม่เกินนี่แหลอะอเรื่องรักแล้วก็เรื่องชัง เรื่องเกลียดเรื่องโกรธก็เเดียวกันเดียวกันกับเรื่องชังนั่นแหละเรื่องเกลียดก็คือไม่รักนั่นแหละเรื่องโกรธก็คือเรื่องชังนั่นแหละอันเดียวกันนั่นแหละคือท่านเรียก ว, ว่าหลงหลงรักหลงชังเพราะไม่เห็นเหตุปัจจัยแจ่มแจ้งแล้วก็หลงเกิดความนุ่มหลงเพราะฉะนั้นครูบาอาจารย์ท่านพิจารณาจนละเอียดลึกถึงตรงนี้แล้วท่านจึงจึงสามารถสำรักจิตออกจากสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้ ไม่หลงไม่หลงไม่เพลินไม่เผลอไม่หลงถ้าเผลอเมื่อไรแล้วก็หลงหลงแล้วเมื่อไรแล้วก็เพลินเพลินไปกับมันนั่นแหละมันดึงไปแล้วหลับแล้ตัวนี้สำคัญสำคัญอย่างเดียวที่กิดของเราพยายามจำรัพยายามขัดเกลาพยายามฝนพยายามเหลาแหลมให้มันแลมเป๊ดพยายามฝนฝนให้มันคมให้มัน ไวต่ออารมณ์ไม่งั้นมันไม่ทันที่มันมาสวมรอยป๊บเอาไปแล้วสวมรอยป๊บเอาไปแล้วสวมรอยป๊บเอาไแล้วเวลาอารมณ์ที่มันรุนแรงเกิดขึ้นอารมณ์ของกิเลสรุนแรงเกิดขึ้นราคะตัณหาที่มันรุนแรงภายในจิตเกิดขึ้นเราดูมันดูกิริยาการที่มันเป็นยังไงอารมณ์ของราคะตัณหาที่มันรุนแรงภายในจิตของเรา มีลักษณะยังไงให้เราจับเอาไวา้นี่เป็นอารมณ์ของกิเลสอนี่แหละเป็นลักษณะเป็นอารมณ์ของกิเลสมัน ร, รุนแรงนี้สมมติเราพิจารณาไปพิจารณาไปพิจารณาไปและศิ่งเหล่านี้มันค่อยๆหมดไปหมดไปหมดไปหมดไปจางไปจางไปจางไปคําว่าจางไปในในในที่นี้หมายความว่ า, วาคือมันลดกระแสความรุนแรงลงไม่ใช่มันหมดไปมันหายไปเหมือนอย่างภาระยเจ้าที่ท่านตัดได้ ในขณะฉับเดียวไม่ใช่อันนี้มันเป็นขั้นมันเป็นขั้นเป็นขั้นพิจารณาเพื่อให้รู้เท่าทันแต่มันยังมีสิ่งละเอียดกว่านี้อีกที่เราจะจะพึงเข้าไปรู้เข้าไปเข้าใจนี่ลักษณะของกระแสที่มันพาจิตดิ้นไปความเพลอมีรสชาติของมัน ความเพลินมันมีรสชาติของมันเราดูรสชาติความอริดอร่อยของของอารมณ์ดูให้ออกความอริดอร่อยจับตาไปเห็นรูปจากหูได้ยินเสียงเราพยายามกำหนดจิตตามดูความเพลินของมัน ความ อ, อริอยอะไรของมันนะันที่มันมั น, ม, นมันมาชักจิตไปลากจิตไปดึงจิตไปเนี่ยมันละเอียดลอจริงๆมันเหมือนกับเป็นตัวรถฉาบทั้งดุน่นพร้อมที่จะให้จิตของเรานะวิ่งไปเกาะวิ่งไปเกาะอันนี้หมายความว่ามันปิดหูปิดตาเราอยู่แต่ถ้ามีสติปัญญาของเราละเอียดเราสามารถเข้าไปรู้ได้ว่าอะไรเป็นอะไรอะไรศัพท์ว่าอะไร อะไรเป็นอะไรอะไรศัพท์ว่าอะไรเราพยายามพิจารณาทําเกิดความรู้เท่าทันภายในจิตของเราถึงการทําให้สงบก็ทําให้สงบเข้ากำหนดบริกรรมให้จิตสงบจะอยู่ที่ปลายจมูกพุทธโธพุทธโธก็พิจารณาหรือจะกำหนดที่เลื่นปี่ก็หนดึงลงมาอย่างั้นะยังบริกรรมได้กับบริกรรมไป ไม่จำเป็นต้องบริกรรมจิตมันแน่วอยู่แล้วปล่อยมันทิ้งมันกำลังโยนพิจารณาอย่างามันเป็นการพักตัวมันมันเป็นการตั้งตั้งเนื้อตั้งตัวเป็นการตั้งรากตั้งฐานสร้างรากตั้งสร้างฐานให้กับตัวเองมันเป็นพยายามหาที่มั่นให้กับตัวเองจิตสงบจิตสมาธิจิตมีสมาธิคือจิตตั้งมั่น ผู้ที่ท่านฝึกฝนอบรมได้แล้วเนี่ยท่านสามารถตั้งมั่นยืนเดินนั่งนอนท่านมีมสมาธิตลอดอันนี้คือจิตที่ฝึกได้แล้วจิตที่มีแล้วฝึกแล้วมีแล้วเป็นแล้วอยู่กับเนื้อกับตัวตลอดแต่ถ้าเราฝึกยังไม่ได้ก็ติดขาดติดขาดติดขาดติดขาดอย่างนั้นแหะมันดึงไปอ่ามันดึงไปสิบนาทีดึงมาได้สองนาทีมันดึงไปอียี่สิบนาทีดึงมาได้สมนาที นั่นแหละจนมันดึงเราไปน้อยลงน้อยลงน้อยลงเราทันมันเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพราะงานที่เราฝึกเราฝึกมาเรื่อยมันก็ชำนิชำนานเข้าไปเรื่อยชำนานเข้าไปทัเรื่อยเรามาคัดเรามาทํางานตรงนี้มันเป็นการทํางานตรงเป้าอันนี้คือเป้าของงานแท้ๆเลยถ้าเพื่อแก้เกลียดก็แค่แก้ทุกจุดแก้ตรงจุดเอทื่จุดมันเกิดที่นี่มันดับที่นี่ เกิดที่จิตดับที่จิตเกิดที่จิตดับที่จิตอะไรความฉลาดก็คือจิตสลาดความโง่ความหลงก็คือจิตโง่จิตหลงสติสัมปชัญญะคือคุณธรรมคือเจตสิกะธรรมที่พึงเกิดขึ้นภายในจิตเจตสิกะธรรมตัวนี้แหละเป็นเครื่องมือของจิตเป็นอุปการะของจิตสติอุปการะแก่จิต สำปรจัญญาคือความรู้ตัวเป็นอุปการะแก่จิตอันนี้ก็เป็นกิริยาของจิตกันเป็นอาการของจิตกิเลสที่มันดึงดึงจิตเราไปนั่นก็เป็นกิริย า, าการของจิตแต่มันเป็นกิริยาฝ่ายฝ่ายโกงของกิเลสภายในจิตมันเป็นกิริยาที่โกงของจิตมันเป็นกิริยาที่บิดเบี้ยวของจิต มันเบี้ยวทำมันบิดเบือนทำมันบิดเบือนข้อเท็จจริงมันบิดเบือนความจริงกิเลสมันไม่เคยให้เราทราบความจริงมันพรางตาเราตลอดให้เห็นให้เราเห็นสิ่งที่มัวมัวพรางพลางให้เราเห็นสิ่งที่เป็นมายามากกว่าที่จะเห็นข้อเท็จจริงเราก็เลยหลงเชื่อสิ่งที่เป็นมายายตามนั้นที่กิเลสมันพรางหูพรางตา กิเลสก็เป็นกิริยาของจิตเป็นอาการของจิตธรรมะที่จะพึงเกิดขึ้นภายในจิตก็คือคุณสมบัติของจิตที่เจริญขึ้นเกิดขึ้นมันก็เป็นกิริยาที่เกิดจากจิตเป็นอาการของจิตที่สามารถเอามาลบล้างกันได้ตราบใดเราดำรงธรรมอยู่ภายในจิตร่ออยู่ไฟกิเลสมันก็เข้ามาแทรกไม่ได้ ไฟกิเลมก็เข้ามาแทรกมาได้ตราบใดทำอ่อนกิเลสเข้ามาแทรกนะตราบใดกิเลสอ่อนทำก็เข้ามาแทากาารกแต่มีบทพิสูจน์แล้วว่ากิเลสทั้งหลายทั้งปวงภายในจิตของคนของสัตว์นั้นต้องแพ้ธรรมต้องแพ้ธรรมะมีพระพุทธเจ้าพระสงฆ์สาวก พ, พระอริยาสาวกเป็นต้นเป็นตัวอย่างซึ่งท่านปฏิบัติมาแล้วสามารถ ทำลายกิเลสหมดไปจากหัวใจได้เนี่ยไม่ใช่ว่ากิเลสชนะธรรมนะทำต้องชนะกิเลสชนะกิเลสภายในจิตดวงนั้นดวงนั้นเพราะฉะนั้นเราทําไปเรามีโอกาสมีโอกาสที่จะเพิ่มพลังของธรรมเลยไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อ ย, อยจนสามารถทําให้กิเลสอ่อนแรงอ่อนแรงแล้วเหือดหายแห้งไปแห้งไปเฉยเฉยไม่มีอะไรกิเลสทั้งหลายไม่มีตัวไม่มีตน กิเลสทั้งหลายเป็นแต่เพียงมายาเท่านั้นเหมือนพยับแดดยับแดดมาเป็นของลวงหลอกถ้าเรานั่งรถไปบนถนนเราเห็นพยับแดดปั๊บปั๊บปบางทีก็เหมือนกับงูลเลื้อยออกสองข้างทางเลื้อยซ้ายเลื้อยขวาไอ้ตรงที่มันเลื้อยนั่นมันเกิดขึ้นจากมายาของคลื่นถนนเกิดขึ้นจากความร้อนของพยับแดดที่มันปั๊บปั๊ๆป ถ้าใครเคยสังเกตจะรู้อันนั้นแหละคือมายาภาพมายาที่เกิดขึ้นบนท้องถนนเป็นแดดอะไรพุ๊บเพเื่อหมือนกับงูวิ่งออกซ้ายวิ่งออกขวาบางทีตัวเล็กบางทีตัวใหญ่ดูแท้จริงก็คือพยับแดงคือกระแสความคลื่นบนบนบนถนนนั่นแหละที่มันเกิดขึ้นเกล็ดเป็นมายาของจิต เวลาเรากำหนดจุดจอเข้าไปจุดจอเข้าไปจุดจอเข้าไ ป, จจไปเราก็เริ่มเห็นของจริงชัดขึ้นชัดขึ้นชัดขึ้นเหมือนกับเรามองเห็นผิวถนนชัดเจนนั่นแหละอ๋อมันเป็นมันเป็นอันนี้มันเป็นอันนี้อันนั้นมันเป็นภาพลวงเฉยๆถ้าเราไม่ศึกษาธรรมเนี่ยทั้งวันคืนยืนเดินนั่งนอนเนี่ยกิเลมันเอาภาพลวงมาปิดหูปิดตาเราตลอดอให้เราเชื่อมันกับสิ่งที่มันพรางหูพรางตาเราตลอด หน้าเข็ดหน้าหลาบพอมันทำเราแล้วทำให้เราเพลินไปกับมันเพลินไปกับมันแล้วไปทำกิริยาทางกายเป็นกายกรรมอผิดทางแล้วไปทำกิริยาวัจจีกรรมคำพูดอ่าผิดทางแล้วพูดเท็จพูดยาพูดส่อเสียดแล้วพูดด่าพูดเสียดแทงแล้วพูดอะไรแล้วกายกรรมไปต่อไปฆ่าสัตว์แล้วลักทรัพย์แล้วโอ้ยเอากายนี่แหละไปประพฤติผิดลูกเมียเขาแล้ว ไปเล่นลามกจกเปลเรแล้วเนี่ยกิเลมันลากไปเนี่ยทําให้เราเชื่อมันได้ยัางง่ายได้เพราะเหตุที่มันเอาสิ่งที่เป็นมายามาพร่างหูพราางตาเราเราก็หลงเชื่อมันพอเราลงมือทําไปแล้วเนี่ยอ้าวผลที่เป็นทุกข์ต้องตามมาผลทึ่เป็นทุกข์ตามมาแหละตอนนี้ได้รับโทษอ่ะทุกข์ใจแป๊บใจแล้วเหมือนอย่างคนโกรดนี่นะ กรธทะเลาะกันฆ่ากันเนี่ยแป๊บเดียวล่ะลันไก่ปึ้งปึ้เ ป, ปิ้งปึ้งเดียวตาแล้วโอ้เป็นเวร เ, เป็นไปเป็นบาปเป็นกรรมผิดศีลผิดธรรมผิดกฎหมายบ้านเมืองเจ้าที่ต้องจับเข้าโรงขึ้นรงขึ้นศาลติดคุกติดตารางเพียงแต่ตัดสินใจแป๊บเดียวนะี่คือความทุกข์ทั้งหลายที่จะพุ่งตามมาความชั่วภรยใจิตของเราเช่นเดียวกัน เราตัดสินใจอย่างใดอย่างหนึทำลงไปตามมันมันกลายเป็นอคุสลวิบากเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นจนไม่เป็นสัตว์มนุษย์แล้วมันเป็นสัตว์นรกละบางทียังไม่ถึงสัตว์นรกก็เป็นสัตว์เดรัจฉานและจิตดวงนั้นสัตว์เดรัจฉานเพราะอะไรเพราะอกุสลมันสังสมมันเพิ่มเพิ่มเพิ่มเพิ่มวิบากวิบากคือผลเพิ่มของกรรมเราเรียกว่าวิบากกรรมวิบากกรรม ผลที่มันผลที่กรรมทั้งหลายมันบวกเพิ่มเข้าไปเพิ่มเข้าไปอันนี้เพราะเราเพราะเราหลงกลธรรมนั่นแหละเราเห็นเหยื่อที่กิเลมันป้อนเข้ามาเนี่ยเยอะหน้าอด็ดหน้ารอยแล้วเกินดูแล้วน้ํำลายเยอะงั บ, บ ว, งว้าเบ็ดเกาะแล้วคําว่าเบ็ดเกาะก็คือกิริยาที่เรากายเรไปทำำํากรรมกิริยาที่เราวาจาเราไปทำำํากรรมเนี่ยมันมามันเกิดขึ้นมาจากที่เราอาจิตของเราไปทำำํากรรม มโนกรรมมโนกรรมมโนกรรมตัวเนี้เป็นตัวที่ร้ายกาจแต่มโนกรรมถ้าคิดอยู่เฉพาะในจิตของตัวเองเนี่ยได้รับโทษคนเดียวแต่ถ้าทะลัออกมาทางกายไปเกี่ยวข้องกับคนอื่นทะลัออกมาทางวาจาไปเกี่ยวข้องกับคนอื่นตัวเองก็ได้รับโทษคนอื่นก็พลอยได้รับโทษไปด้วยนี่คือกายกรรมวิธีกรรมฝ่ายอกุศลเหตุให้เกิด กรรมช่วยชา ล, ลามกทั้งหลายทั้งปวงก็ตามมาวันคืนยืนเดินนั่งนอนพวกเราอยู่ด้วยผลเพิ่มของกรรมถ้าใครดำรงกรรมดีไวผ้ผลเพิ่มของกรรมควบกรรมดีก็จะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นทวีคูณ ข, ขึ้นทวีคูณขึ้นทวีคูณขึ้นจิต ข, ของเราที่เคยเศร้าหมองก็ใแบบสขึ้นใสขึ้นใสขึ้นใสขึ้นอ่าจิตที่เคยทึบทึบทื่อทืไม่เฉียบไม่แหลมไม่คม เมื anyway, конце, ang, ่อเรามาฝนฝนฝนมันก็เริ่มแหลมแหลมแหลมแหลมจับเหมือนมันก็มีทิ้ดทิ้ดทิ้ดพอเราฝนฝนฝนมันก็เริ่มคมคมคมคมคมมันถูกปาดมันคือมฉลาดขึ้นฉลาดขึ้นฉลาดขึ้นเพิ่มขึ้นเพมขึ้นถูกขัดเข้าขัดเข้าไปขัดเข้าไปขัดเข้าไปขัดการกิริยาการขัดก็คือใช้สติใช้สัมชัญหยันไปกำหนดจดจ่อไปกำหนดจดจ่อยัง หาเหตุหาปัจจัยหาเหตุหาผลว่าอันนั้นเกี่ยวข้องกับอันนั้นอันนั้นเกี่ยวข้องกับนั้นอันนั้นเพื่อ น, นั้นอดูไปแล้วเห็นแจ่มแจ้งชัดเจนขึ้นมาภายในจิตของตัวเองนี่คือกิริยาที่เราฝนคือกิริยาที่เราเหลาคือกิริยาที่เราขัดคือกิริยาที่เราเกาทั้งขัดทั้งเกาทั้งเหลาทั้งฝนเป็นกิริยาที่เป็นอุปมา ภายในจิตของเราเช่นเดียวกันเราใช้ความภาคความเพียร น, นี่แหละเป็นกิริยาที่ขัดเกลาจิตของเราให้จิตของเราเนี่ยใสสะอาดขัดเกลาเหมือนกับว่าเอาสารส้งมาใส่แล้วขัดเข้าไปขัดเข้าไปให้มนทินทั้งหลายที่มันปนเปื้อนอยู่ในน้ําจิตน้ําใจของเราเนี่ยมันตกตะกอนเหลือแต่น้ําใสพรจิตเริ่มสงบจิต ก, ก็เริ่มใส ตะกอนทั้งหลายทั้งปวงก็เริ่มตกไปตะกอนก็คือสิ่งที่เป็นสะวะของกิเลสทั้งหลายทั้งปวงน่ะที่มันมาห่อหุ้มจิตของเราเนี่ยสะวะทั้งหลายทั้งปวงของกิเลสนั่นแะที่มันจะคอยแอบมาห่อหุ้มจิตของเราเนี่ยเหมือนกับ น, น้ําที่มันลอยมีตะกอนอะไรเตร็มไปหมดน่ะ พอถูกสารส้มสารส้มมันขับมันไล่มันต้อนเริ่มตกตะกอน่ะตกไปอันนั้นตกไปนี่ตกไปตกไปตกไปตกไปแล้วแต่น้ําที่บ่อยสุดน้ําที่ใสสะอาดะดูเห็นหมดเป็นปูเป็นปลาเป็นไรอยู่ในนั้นเห็นหมดมันตกตะกอนไปอยู่อะไรไงเห็นหมดประเด็นจิตของคนเราเช่นเดียวกันถ้าเรายิ่งขัดเกลาไปถ้าเราไปยิ่งใสสะอาดไปเท่านั้นถ้าเราไม่ขัดไม่เกลาเนี่ย มีแต่กุศลกรรมเต็มจิดเต็มกายเต็มใจมืดตึบมีแต่บาปกรรมหนาตึบเต็มตัวไปหมดอะมันหนาขนาดไหนหนาขนาดยกไม่ขึ้นนัออ่นแหละยกเอามาสร้างพลังความดีไม่ได้เนี่ยจิตทั้งดวงมืดตึบทั้งหมดเลยถ้าพูดถ้าพูดถึงวันการนึกการคิดอะไรเนี่ยเป็นวิชาทิฏฐิทั้งหมดพูดตามกิเลสทั้งหมดไม่เคยพูดตามธรรมไม่เคยพูดเป็นเรื่องของธรรมพูดเป็นเรื่องของกิเลสทั้งหมด คิดนึกพูดจาทําอะไรอะไรตามกนโนบายมายาของกิเลสทั้งหมดอืแต่กิเลสกับธรรมนี่ก็อยู่คู่กันคู่กันมาประจำโลกแม้แต่จิตของคนเราก็คู่คู่กันมาทั้งกิเลสทั้งธรรมอย่างมนุษย์อย่างน้อยๆเราก็มีธรรมมนุษย์มีมนุษยธรรมถ้าไม่มีคุณธรรมถึงพอที่จะเป็นมนุษย์มันก็มาเกิดเป็นมนุษย์ไม่ได้ อาจจะไปเกิดเป็นเปรต เ, เป็นอสุรกายเป็นสัตว์ที่ฉันอาจจะถูกจองจําอยู่ในน ร, นรกขุมนั่นขุมนั่นขุมนั่นก็คือไปถูกดักด้วยอํานาจบาปกรรมที่เจ้าของทำมาเองน่ยบาปกรรมต่างๆนั้นแหะมันดึงเอาไว้มันทวงเอาไว้มันกดเอาไว้มันขังเอาไว้อืมจะต้องให้ใครไปทำไม่มีใครทำก็บาปกรรมที่กิริยาที่จิตตรงนี้ทําอืม กิริยาที่จิดตดวงนี้มันเคยทํากิริยาดวงนั้นแหละมันมาทับถมจิดตดวงนั้นจนให้จิดตดวงนั้นเนี่ยออกในที่ปลอดโปร่งไม่ได้เป็นอิสระเสรีจากกิเลสไม่ได้นะหลงไปอยู่กับอหน้าของกิเลสทั้งหมดนะภายในจิดตดวงนั้นเนี่ยเราจะพูดถึงว่าพิษก็บมิตฉพิษเต็มเต็มตัวนะถ้าเป็นสัตว์ก็อาอรพิษนะ่ะอาอรพิษอยู่เต็มอยู่ในนั้นนะ่ะเป็นเรื่องกับใครไปอะไรกับใคร มีแต่พิษทั้นั้นแหละร้ายกาจอยู่ในนั้นอ่ะเป็นที่สําคัญที่ร้ายกาจที่สุดกับพินเป็นพิษภัยกับตัวเองเป็นพิษภัยกับตัวเองความทุกข์ความเดือดร้อนด้วยบาปด้วยกรรมด้วยอะไรที่เคยสั่งสม อ, อบลงมาที่ทํามาเี่ยมันแผดเผากายตัวเองตลอดแผดเผาจิตตัวเองตลอดที่สําคัญ ค, คือจิตนั่นแหละไปรับความเร้าร้อนตลอดเคลื่อนไปบางสีมืองอย่าง เอาความเพ ล, ลินนั่นแหละว่าเป็นความสุขอถ้าจริงเพลินเพลินไปตามนะาของกิเลสเพลินเพิ่มกรรมให้กับกิเลสไม่ใช่เพลิ่มไม่เพลินเพิ่มธรรมเพลินเพิ่มกิเลสเพลินเพิ่มกิเลสไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยเพราะฉะนั้นเราอยู่ตรงนี้เราอยู่ท่ามกลางอยู่ท่ากลางสนามฝุ่อยู่ท่ามกลางอยู่ท่ามกลางเขียง ออยู่ถ้ำกลางหินอยู่ถ้ำกลางเขียงสำหรับรองรองเหลาฝนเะช็ดเช็ดเช็ดเช็ดเเหล า, หลาแหลม อ, อยู่ถ้ำกลางหินฝนเข้ามปฝนฝนฝนเหมือนกับฝนนี่ น, ะนั่นเอาก็ปฏิบัตินั่นแหละมันเป็นเป็นเหมือนกับหินข้อปฏิบัตินั่นแหละเหมือนกับหินเอากิิยาความอุตสักความขยันมันเพียร เป็นเรียวเป็นเรียวแรงอ่าเอาสติสัมปชัญญะเหมือนกับการตั้งอกตั้งใจเจตจำนงจงใจทำลงไปเล้าลงไปฝนลงไปขัดลงไปขัดขัดขัดขัดจัดสิ่งที่เคยมัวมัวมืดมืดมัวมัวขาดขัดไปขาดไปจนเกิดความมันขึ้นมาเนี่ยเหมือนอย่าเราขัดอะไรน่ขัดวัตถุบางอย่าง ทีแรกก็มืดมืมองหมองเต็มไปหมดพอเริ่มขัดขาคขาสใสายจนเห็นเงาจิตของเราก็ขยันขยันขัดจิตของเราก็จะใสใสอยู่ข้างในใสอยู่ภายในจิตใสอย่าลืมว่าคุณสมบัติของจิตที่ผ่องใสก็คือความสงบนั่นแหละความสงบมันก็ทําให้ผ่องใสอย่างหนึ่งการย้อนหน้าย้อนหลังพิจารณา ให้เห็นเหตหุเห็นปัจจัยของกิเลสที่มันมากุ้มลุ่มภายในจิตของเราเป็นเหตุเป็นปัจจัยหนึ่งเป็นงา น, นันหนึ่งที่เราต้องสอบสอ บ, สอบคือเป็นสอบเพื่อทํางานถ้าไม่ทํางานถ้าไม่เอาทำมาทํางานในกิเลสมันจะพาทำํำพอกิเลสพาทําแล้วมันดึงไปทั้งหมดเอาทำมาทำเนี่ยอ่ามันอยู่ในท่าทีมีสติมีสมัมผัญญะมีความรู้ตัวมีขมติดมีความอดทน มีความสงบเสงี่ยมมีความอุตสาหะพยายามนี่คือการเอาทำเอาทำมันทํางานแต่ถ้าเป็นเรื่องของกิเลสแล้วก็โอ๊ยมันมันไม่มีไปกิดกระจายมันไม่มีความสามารถมันไม่มีความครบพอมันไม่มีความสว่างพอที่จะมาสอนให้เห็นให้เห็นทุกเห็นโทษเห็นเหตุเห็นปัจจัยที่ทําให้เกิดทุกข์เกิดโทษ าพาี่เกียรติพาพิค้านหาอะไรทําเล่นสบายๆเพลินเพลินนั้นเหมือนนานเปเรื่องของกิเลสไปแล้วเรา่อของกิเลสเป็นงนั้นในอัตภาพนี้แหละถ้าเราขยับมาทํางานตรงนี้ได้เราสร้างเนื้อสร้างตัวได้เราตั้งเนื้อตั้งตัวได้กี่พวกรีชาติกี่กับพีกันเราลูบไม่ได้เราทราบไม่ได้อัตภาพนี้เราทราบได้ เรารู้ช่องรู้ทางรู้วยถีร ị, เราตัอ้งอกตัง้ ง, จงใจทาให้ได้ให้มีมันจะประจั์ชัดแจ้งภายในจิตของเราจะเ ก, กิดความรู้สึกว่าเรามีคุณสมบัติเพิ่มพูนทวีคูณที่จิตของเราเพิ่มไปเรื่อยเพิ่มเรื่อยเพิ่มร่พัฒนาตัวเองไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อย เราจะรู้ว่าเหตุแห่งสุขก็ทราบถึงเหตุอย่างชัดเจนเหตุแห่งทุกข์ก็ทราบถึงเหตุอย่างชัดเจนความสุขความทุกข์พื้นพื้นเราก็ทราบได้ง่ายยิ่งทราบได้ง่ายพื้นพื้นหยาบหยาบเรายิ่งทราบได้ง่ายทราบได้ละเอียดอละเอียดลึกเข้าไปลึกเข้าไปพยายามดูไปเรื่ยไปเรื่อยไปเรยสติปัญญาเหมือนกับไฟไหม้ไมไปเรื่อยไปเรอยไปเรื่อย เหมือนกับไฟมันไหม้ไหม้รากรากไม้ไผ่ไม้รากหญ้าไม้รากไม้ไผ่ไม้รากแก้วรากฝอนของต้นไม้เราเคยเห็นไฟมันไหม้มันจะไหม้ไปตามใหนส่วนมันไหม้ไหม้ไหม้ไปยนหมดไอ้ที่เป็นรากน่ะมันไหม้จนมไหม้จนหมดกิเลกกับธรรม ทับมาที่มีกําลังมันก็พยายามขับต้อนไล่กิเลสเข้าไปเรื่อยๆนั่นแหะไล่ไปถึงไหนก็คือหายไปหายไปหายไปหายไปหายไปเพราะอะไรเพราะกิเลสมันเป็นอุบายเป็นมายามันไม่มีตัวไม่มีตน ม, ม, มันเป็นสัว์จธรรมที่ไม่มีตัวไม่มีตนกิเลสทุกสมุทยัยสมุทัยเหตุได้เกิดทุกเน่ะคืออะไรคือความอยากภายในกิตนั่นแหะกามาตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหานั่นน่ะ นี่แหละคือตัวสมุทยัยเหตุให้เกิดทุกข์แปลว่าเหตุให้เกิดทุกข์เราทั้งหลายเข็ดเข็ดลาบในกองทุกข์เราต้องพยายามย้อนมาดูเหตุของมันในเมื่อเราย้อนมาที่เหตุเราเห็นเหตุเราแก้ที่เหตุทุกข์ซึ่งเป็นตัวผลก็มันก็ดับไปเมื่อแก้เหตุได้หมดผลคือทุกข์ที่จะพึ่งเกิดมันเกิดไม่ได้ในเมื่อในเมื่อเหตุมันทําเกิดไม่ได้ ผลที่ไหนมันจะเกิดได้มันเกิดไม่ได้พระอริยเจ้าท่านแก้ไขที่เหตุได้หมดผลที่จะสืบเนื่องให้ท่านต้องได้รับก็ไม่มีท่านจริงไม่เกิดท่านจึงไม่ตายพระอริยเจ้าท่านไหนท่านไม่ตายความไม่ตายของท่าน่ะคือไม่ต้องเกิดอเมื่อเกิดแล้วต้องตายเมื่อเกิดแล้วก็ต้องตาย เพ ร, ราะฉะนั้นท่านชำระจนไม่เกิดไม่ต้องไปเกิดเมื่อไม่ต้องไปเกิดแล้วก็ไม่ต้องไปแก่ไปเจยบไปตายละไม่ต้องไปได้รับคว า, ามทุกข์จากเกิดแก่เจ็บตายละไม่ต้องไปได้รับคว า, ามทุกข์จากการดิ้นรนตามอำนาจของตัณหาละไม่ต้องไปดิ้นรนแสวงหาตามอำนาจของความอยากของกิเลสตัณหาละมันไปไม่ถึงมันตามไม่ทันมันหมด อุบายหมดมายาหมดกําลังหมดเรี่ยวแรงตามท่านไม่ทันหาท่านไม่เจออ่ามนาเกลเลทั้งหลายท่านเปียกเหมือนลูกสมุนของพญามารพญามารตามไม่เจอตามไม่ทันตามไม่ทันแล้วมรุษจะไปรังควานไปเยพญามารหาไม่เจอหละหาตัวหาตน ห, หาอะไรไม่เจอเลยเพราะอะไรเพราะท่านปล่อยหมด응แล้วท่านทิ้งหมดแล้วท่านละหมดแล้วพวกพญามารมันก็รับแต่เศษ รับแต่เศษรับแต่กาศเท่านั้นแหละสิ่งที่เป็นเศษรับไปสิ่งที่เป็นกาศรับไปร่างกายเนี่เป็นเศษเป็นกาศมันเอาไปร่างกายมันเอาไปความแก่ม э MM ันเอาไปความเจ็บมันเอาไปความตายมันเอาไปแต่ผู้ที่ปล่อยปล่อยหมดแล้วเนี่ยท่านปล่อยหมดแล้วท่านไม่มีที่ไปท่านไม่ต้องไปแล้ว ถ้าไม่ดับแล้วไม่ต้องเกิดไม่ต้องดับอีกแล้วไม่ต้องเกิดอีกแล้วเพราะไม่มีตัณหาหมดตัณหาแล้วหมดอุปาทานแล้วหมดเพราะหมดชาติแล้วมันไม่มีที่เกิดไม่รู้จะเอาอะไรไปเกิดในเมื่อยังมีที่เกิดแล้จะต้องไปเกิดตามที่ที่เรามีที่เราจะต้องไปเกิดเนื่องจากจิตมันยึดมันถือย่างไงก็ต้องไปเกิดอย่างนั้น<อ>นี้ถ้านมาศึกษาอยู่ตรงนี้ขัดเกลาร์อยู่ตรงนี้ดึงออกตรงนี้เห็นเหตุเห็ น, ห น, หนปัจจัยส่วนละเอียดตรงนี้ ท่านก็นเริ่มเบาบางเบาบางในสุดท่านก็นหมดท่านก็นพ้นไปได้ไม่ต้องไปแบกบขอทุกกองโทษที่ไหนอีกต่อไปนี่เป็นเป้าหมายเป็นจุดหมายปลายทางที่พวกเราทั้งหลายพยายามทั้ง อ, อกตั้งใจทำไปให้ถึงให้พึงทําความพอใจประกอบไปด้วยฉันทะ เมื่อเรามีฉันทะมีความพอใจแล้วความภาคความเพียรเราก็มีที่เรียกว่าวิทยะเมื่อมีความภาคความเพียรความกำหนดจดจอ่อที่เรียกว่าจิตตะคือจดจอ่อมันก็ต้องมีรู้เหตุรู้ปัจจัยรู้ปัญหารู้อุปสรรคข้อขัดข้องก็ต้องพิจารณาใคร่ครวญไตรตรองเพื่อแก้เพื่อแก้ไขต่างต่างเหล่านั้น อ, อิธิบาทอิธิบาทคุณธรรม ี่จะทาให้ผู้เอาไปใช้ได้ได้ประสบผลสำเร็จอิทิบาตอิทธิบาตเดินตามทางนี้สำเร็จาบาตบาทบาทบาทะบาทะแล้ ว, ว่าทางเดินเดินไปเพื่อความสำเร็จเดินตามหลักนี้สำเร็จแน่อิธิบาทอิทธิบาทอิทธิแปลว่าสาเร็จอิธิบาทฉันทะพอใจเราตั้งใจจะทำ เนือ่องจากเราโปรลงแล้วว่างานนี้เป็นงานถูกต้องเป็นการเป็นงานดีงามเป็นงานถูกต้องเป็นงานเพื่อพ้นทุกพ้นโทษพ้นภัยในวัตฏสงสารจริงๆเราก็สร้างความพอใจให้กับตัวเองโอ้เราต้องทําถ้าเราไม่ทําไม่ได้ถ้าเราไม่ทําเราไม่ได้ถ้าเราไม่ทําเราไม่มีถ้าเราไม่ทําเราไม่เป็นถ้าเราไม่ทําเราไม่พ้นทุก ถ้าเราไม่ทำเราจะต้องแช่เต็มแปร่อยู่ในกองทุกกองทุกทั้งหลายนี่หน้าเข็ดหน้าหลาบมากเราก็รำพึงรำพันสอนตัวเองอยู่อย่างนี้มันก็จะทำให้เรามีความอุตสาหพยายามมีความพยายามเพีย ง, เ, ยงเห็นคุณค่าเกิดความพอใจสร้างความพอใจยินดีกับความพอใจตั้งความพอใจกับตัวเองแล้วก็เดินไปตาม ถามเพื่อความถูกต้องดีงามเพื่อความสุขเพื่อความเจริญอยู่เมื่ออยู่เย็นเป็นสุขอืมยืดยาวไปทลาดไปอยู่เย็นเป็นสุขตายไปก็อยู่เย็นเป็นสุขตราบใดก็เห็นโทษเห็นข่อยิงจริงก็ทีบตัวไปให้พ้นยิ่งสุขก็โตไปเลยวันพรุ่งนี้วันสถนะเราก็มาตามเวลาที่เรามาเทลานนั่นแหละก่อนที่สี่ มาถึงสลาทีสี่เราพยายามปัดกวาดเช็ดถูผู้อาสนะให้เสร็จอย่างนา้อยเรี่สิบนาทีทีสี่ยี่สิบนาทียำช้าที่สุดให้ได้ทํบบาว่าส่วนหนึ่งทาว่าส่วนเสร็จเราก็นั่งภาวนาไปได้เวลาเราก็สวดปฏิมกขเราสวดปฏิโมกขเสร็จก็แจ้งแจ้งชัดเจนในระหว่างที่เราเริ่มสวดเราก็ได้อารมณ์ อารมณแสงเงินได้อารมณแสงเงินเราก็สวดเพราะอารมณแสงทองสว่างมีแสงอาทิตย์ขึ้นมาถือว่าเป็นวันใหม่ถือว่าเป็นวันการสวดวันใหม่มันเป็นเดือนสี่อ้วันดับเดือนสี่ตรงนี้วันดับเดือนสี่เป็นวันพระ เราต้องม uh, าแสดงธรรมดนะพระใหม่ต้องไปดูแสดงธรรมะพรุ่งนี้ก่อนที่จะเข้าฟังปาฏิโมกข์จะต้องแสดงธรรมดทุกคน <c oughs> ไม่แสดงธรรมดไม่ได้ไม่แสดงธรรมดทําให้โมเสียวิธีแสดงธรรมะต้องไปดูว่ายได้วายถูกเราอยู่เราต้องอยู่อย่างฝึกงเฟออบรมตัว ม่ใช่อยู่อย่างปล่ยเนื้อปลตัวนะขาดทุนขาดทุนครนะับุญหมายมีแต่บาปต้องอยู่อย่างสร้างเนื้สร้างตัวต้องรู้อยู่อย่างรู้สึกเนื้อรู้สึกตัวต้องอยู่อย่างตั้งอกตั้งใจ ต้องอยู่อย่างมีกฎมีระเบียบต้องอยู่อย่างมีวิจารณญาณพิจารณาคิดนึกตึกตรอให้กับตัวเองมีสัมนะสัญญาในตัวสาคัญว่าตอนนี้เป็นสัมนัสสัมนปะคือผู้ศึกษาธรรมผู้ปฏิบัติธรรมผู้ตั้งใ่ปฏิบัติเพื่อให้ใจสงบเพื่อให้กิเลสสงบ ท้อแท้อ่อนแอในหัวใจก็พยายามคิดถึงองคที่เจ้าให้มากพุทธานุสติให้มากลุง ท, ทีเจ้าท่านเป็นท่านเป็นกษัตริย์สุขคุ ม, มาราชาทรัพสม บ, บัติมากมายมหาศาลค่าธรบริวารมากมาย มีความสุขยิ่งกว่าเทวบุตรเทวดามากมายมาศาขณะนั้นองค์ยังมองเห็นโทษบวชนี้บวชชิลานั้นไม่ได้พกเสสอยไปอิ่มเมื่ออิ่มแล้วก็นายนายแล้วก็หนีเบื่อแล้วก็หนีนายจากสิ่นี้ไปเอาสิ่งนายจากสิ่ง้ไปเอาสิ่งนี้ความพอดีของมันไม่เคยมีเรื่องของกิเลส เขอยากไม่มีเปลี่ยนไปเลือยเปลี่ยนไปรเรือยเปลี่ยนไปรเรืยเปลี่ยนไปรเรอเปลี่ยนหาใหม่ไปรเรืยเปลี่ยนหาใหม่ไปเรื่ยไม่มีมมอีกมีพอเพราะอะไรเพราะมันถูกถูกมันดอกไปเรื่อยพออยู่กันด้วยก่อนอันนั้นดีกว่าอันนั้นดีกว่าเอันนี้ดีกว่าอันนั้นดีกว่ า, นน ว, าวิ่งตามมันจนหัวหมุนอืม หัวรีหัวขวาตารีต า, ตาขวาหัวห ม, มุนตาหมุนเครียดนี่ยหมลองให้มันปั่นหัว้วยขนาดนั้นะเครียดเลยเครียดเลยเป็นโรคประสาทนะใช่ไหมการทําจิตให้สงบนั่นแนะ่ะเป็นคุณสมบัติให้กับตัวเองัเลยสามารถร่าง ม, มาเพื่อช่วยให้ร่างกายเนี่ยสุขสบายตามไปด้วย ซึ่งจากจิตใจไม่เร่าร้อนร่างกายก็ปล่อยเยือกเย็นไปด้วยแต่ถ้าจิตใจเร่าร้อนเนี่ยร่างกายก็ปล่อยเดือดดาลไปด้วยเห<ม>็นไหมเห็นคนเขากโกรธกันไหมต า, ต า, ด, าดําตาแดงกิริยาแสดงออกมาทางกายทางวาจาตาดําตาแดงนั่นแหละเพราะใจกโกรธใจเดือดแต่ถ้าใจเย็น ใจเย็นใจสงบใจอ่อนนิ่มใจเยือกเย็นน่ร่างกายก็พลอยอยู่เย็นเป็นสูงด้วยไม่ขนพองไม่ขนชูชันไม่ขนพองสยบกล้าวบราณท่างหากว่าขนพองขนพองคือความกลัว ความโกรธความกลั ว, ว, ลวทำให้ขนพองเสียกล้าวท่านไม่โกรธท่านไม่กลั ว, ไ ม, ลวไม่รู้จะกลัวอะไรไม่รู้จะโกรธอะไรจิตใจเยืกเย็ยนอยู่สุขสบายนะขนก็ตกไปตามกิริยาการของมันกิริยาการของกายก็สงบอยู่เยือกเย็นตามลักษณะกิริยาการของกายภายในจิตก็สงบ เยือกเย็นภายในจิตนี่เราต้องอบรมสังสมเอาเท่านั้นแหละสิ่งต่างๆเหล่านี้นี่แหละความสุขความสุขเป็นเกณฑ์เป็นประมาณพุทธเจ้าอารษฐาความสุขเป็นเกณฑ์เป็นประมาณความทุกข์ไม่เป็นเกณฑ์ไม่เป็นประมาณเอาความสุขถ้าจะแข่งกันกัเอาความสุขมาแข่งกันเป็นเกณฑ์เป็นประมาณอย่าเอาความทุกข์มาแข่งกัน ย, ยาวงอื่นที่เป็นส่วนประกอบเพื่อเป็นรู่นเป็นนี้เป็นอะไรต้นนี้มากมายพ่วมความยุ่งยากลำบากมากมายมหาศาลแสดงว่าจิตไม่เป็นไม่เป็นพาสุขจิตไม่ได้รับความสงบไม่ได้รับความสุขทํำลายความสงบความสุขของตัวเองนะแล้ว